ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พารานคอยระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม2560ตอนที่สองำตั้งมั่นสติความตื่นรู้ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆทำให้ปัญญาถูกบดบังด้วยความรู้ผิดทุกอย่างดำเนินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทาน ความทุกข์จึงเกิดขึ้นตามมาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครก็ต้องมาศึกษาวิจัยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรมาจากไหนจุดเริ่มต้นที่มาของมันเป็นอย่างไรนะก็เข้ามาศึกษาเข้าไปในตัวเองนะเริ่มต้นจากอริบทยืนโดยตั้งมั่นสงบนิ่ง ผ่อนคลายระวังเฝ้ามองในท่ายืนก่อน15นาทีเมื่อมีเสียงระฆังเตือนหนึ่งครั้งให้เปลี่ยนอริยบทเดินต่อไปแล้วปรับเปลี่ยนเป็นท่านั่งท่านอนแต่ละทิยระบท15นาทีโดยจะมีเสียงระฆังเตือนเมื่อเสียงระฆังเตือนสามครั้งคือหมดเวลา ในขณะที่ยืนอยู่ถ้าความสงบเกิดขึ้นไม่ได้ก็ให้นำความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนสงบแล้วก็ปล่อยวางสักแต่ว่าเฝ้ามองสมาธิตั้งมัน่นสงบนิง่ง เป็นหนึ่งเดียวกับการยืนสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองมองกว้างๆมองแบบธรรมชาติไม่ต้องจ้องมองไม่ต้องเพ่งดูไม่ต้องกำหนดรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นสักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยเฉยไม่ใช่ช่วงฝึกสมร tha กรรมฐานนะไม่ใช่ช่วงฝึกสมาธิเจริญสติถ้าช่วงฝึกสมาธิเจริญสติต้องมีการกำหนดที่ฐานใดฐานหนึ่งนะเป็นอุบายถ้าไม่จิตไปเกาะอยู่ที่ตรงนั้นนะ ทำเอาพลังสมาธิกดมันไว้นะเกาะมันไว้เพื่อไม่ให้เราไปคิดนะเพราะชีวิตเราคิดต ล, ลอดนะอันนั้นเป็นช่วงฝึกแต่ช่วงเขาเรียกว่าจเจริญมรรคหรือมรรคจิตเนี่ยเป็นช่วงเดินทางเราต้องใช้สมาธิที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำหน้าที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับการยืนเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับการยืนสติ ซึ่งเป็นกำลังของสมาธิเขาก็ตื่นรู้มาทำหน้าที่ระวังเฝ้ามองระวังเฝ้ามองแบบธรรมชาติไม่มีการกระทาโดยการเฝ้าระวังนะไม่มีการกระทาใดๆทั้งนั้นธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทาหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นในขณะนี้ เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนคำว่ายืนเฉยๆคือยืนอย่างเดียวถ้ายืนด้วยคิดด้วยนึกด้วยพิจารณาด้วยกำหนดด้วยมันยังมีการกระทำเกิดขึ้นนะมันหลายอย่างนะอันนั้นเรียกว่าละเลยหน้าที่คอร์รัปชันหน้าที่หน้าที่เราต้องซื่อสัตย์ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำ เรามีหน้าที่ยืนก็ยืนสถานเดียวนะถ้ายืนนี่ดีที่สุดก็หลับตาลงเลยก็ได้เพราะเรายังไม่แข็งแรงถ้าเราลืมตามันจะเผลอไปดูดภาพเข้ามาแล้วก็คิดปรุงแต่งอีกนะความสงบจะไม่เกิดขึ้นความสงบมีอยู่แล้วน้ำเนี่ยถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนมันนี่มันก็สงบนิ่งนะใบไม้ล่วงลงมามันก็สัมผัสได้ หุ่นละอองเม็ดนิดเดียวมองด้วยตาเนื้อล่วงลงมาบนผิวนะ้ามันก็สัมผัสได้นี่คือวิปัสนาแต่ถ้าไปคิดพิจารณามันกลายเป็นวิปัสนึกนะมันนึกเอามันจะไม่บริสุทธิ์ส่วนมากเราก็นึกตามกิเลสความเคยชินเรานะอันนี้เราไม่ได้มาฝึกเพื่อให้มันสงบนะเราไม่ได้มาฝึกอะไรทั้งนั้นเรามาทาหน้าที่สักแต่ว่าทำหน้าที่ ในขณะ น, นี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือยืนความคิดมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะเออมันเป็นกิเลสเราความคิดไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นนะฝึกให้เราเป็นนักคิดมันก็คิดนะมันก็ทําหน้าที่มันอย่างซื่อสัตย์ปล่อยเขาคิดไปเลยนะเราอย่าเพียงแค่อย่าไปคิดตามเขา เราคือจิตตัวรู้มีหน้าที่ยืนสถานเดียวมันคิดเราก็รู้อย่าไปสนใจในเนื้อหาสาระที่มันคิดถ้าเราไม่สนใจมันเกิดมันก็ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปนะทุกอย่างมันก็เกิดดับของมันอย่างนี้แหละอารมณ์ดีเกิดขึ้นเราก็รู้นะรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปยินดียินรายกับอารมณ์ดีนั้นนะเดี๋ยวมันก็ดับ อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็มีประโยชน์ทําให้เราเห็นมันนะเออรู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดับความสงบเกิดขึ้นเราก็รู้นะรู้เฉยๆนะอย่าไปสนใจมันอย่าไปใส่ใจมันนะเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่สงบก็เกิดขึ้นก็มีประโยชน์อีกทําให้เราเห็นมันนี่คือวิปัสสนานะ รู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้กายยืนอยู่เราก็รู้ น, รนะเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันเบือ่อนะมันก็เป็นเวทนานะเราก็รู้เดี๋ยวเราก็เห็นมันเกิดมันดับเวทนาในเวทนามันก็เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะจิตมันเศร้าหมองมันรู้สึกทุกข์รู้อะไรเราก็รู้ รู้เฉยเก็จบแค่รู้นะอยู่ๆอารมณ์ในอดีตมันก็ผุดขึ้นมาอีกนะมันมันไม่ใช่เวทนาปัจจุบันนะเป็นอารมณ์ในอดีตที่บันทึกเป็นสัญญาไว้นะเขาเรียกว่าธรรมในธรรมคือธรรมลมนะมันผุดขึ้นมาเราก็รู้อีกนะรู้เฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่สำรวมระวัง ไอ้กิเลสความเคยชินเรามันชอบอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันไม่รู้เฉยๆหรอกมันก็คิดปรุงแต่งต่อไปถ้าเรารู้ตัวก็ดึงกลับมาคืนนะมาอยู่ที่ตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการยืนสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองกิเลสคือความเคยชินนะ เขาจะมือคุ้นไม่คุ้นเคยว่ามายืนอยู่เฉยๆมันจะแยง้งมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรคิดก็ไม่ให้คิดพิจารณาก็ไม่ให้พิจารณานะมันจะแยง้งนั่นแหละอารมณ์มันแยง้งเราก็เห็นอารมณ์ แ, แยง้งอีกก็มีประโยชน์ทําให้เราเห็นก็หยุดอยู่แค่นั้นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่เห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆ ถ้ามันคิดฟุ้งซ่านคิดไม่เลิกไม่แล้วจริงๆแล้วก็ปล่อยมันคิดไปเลยเราอยู่เฉยๆแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้เพราะเราคุ้นเคยกับความคิดด้วยเราเองคือจิตปัจจุบันที่ปุงแต่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดอาการอย่างนี้นะเราก็ต้องหาที่เกาะก่อนเหมือนเด็กๆกต้องพึ่งพ่อแม่ก่อนเรายังไม่แข็งแรงพึ่งตนเองไม่ได้จิตเราถ้าเกิดมันยังไม่แข็งแรงนะเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านมากมายเนี่ย เราก็หาที่เกาะเอาความรู้สึกเรามาเกาะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องไปเพ่งดูมันนะเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจแหละไอตัวรู้นะั่นก็เป็นกับลมหายใจเข้าไปด้วยกันลมหายใจออกไปด้วยกันถ้าเพ่งปุ๊บมีการกระทำโดยการเพ่งดูมันจะเป็นสองมีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นนะอันนี้เอาความรู้สึกเราจิตเราคือตัวรู้นะมา คำว่ามาตามลมหายใจเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าใจก็มีผู้ตามกับสิ่งที่ถูกตามนะก็เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นะแหละนะเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านมันอ่อนลงไปก็ไม่ต้องเกาะอะไรมาอยู่ที่ตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการยืนเมื่อสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวสติเขาก็ตื่นรู้ตามธรรมชาติของเรามาทาหน้าที่ระวัง เฝ้ามองระวังเฝ้ามองตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติไม่มีการตั้งใจที่จะมาระวังไม่มีการตั้งใจที่จะมาเฝ้ามองนะเป็นตามธรรมชาติถ้าเราฝึกจิตมีแต่ไปเกาะ น, น, นู่นเกาะนี่แรกๆก็เหมือนเด็กๆ เ, เห็นหมเราต้องสอนให้เขายืนตั้งไข่ที่เดินทีละก้าวนั่นคือสมาธินั่นคือสติ ตอนนี้เราวิ่งยังไม่ทันเลยกิเลสมันขี่จลวดนะทุกวันนี้นะเราต้องเร็วกว่ามันนะไม่ใช่ช่วงฝึกช่วงใช้ใช้สมาธิใช้สตินะมาทําหน้าที่ยืนไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นเดี๋ยวมันจะทําให้เรารู้เองนะกิเลสมันมันไม่ชอบเลย เรายืนเดินนั่งนอนอยู่เฉยเฉยกิเลสกลัวว่าเราจะเห็นมันมันย่อมไม่ชอบมันจะใช้เครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของมันคือความคิดมาสร้างอารมณ์ต่างๆมาครอบงมสติเพื่อไม่ให้เราเห็นมันเขาก็ททำหน้าที่เขาอย่างซื่อสัตย์เราก็ทำหน้าที่เราอย่างซื่อสัตย์นะอย่าไปขัดแย้งกับเขาอย่าไปคิดหาวิธีมากำจัดความคิดนะมันก็คิดอีกแล้วคิดซ้อนคิด ยิ่งสร้างกำลังให้ความคิดอีกรู้เฉยเฉยช่วงที่กำลังเดินอยู่เดินอย่างผ่อนคลายตั้งมั่นตื่นรู้ระวัง เฝ้ามองกายจิตเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินถ้าจิตส่งออกทำให้ไม่สงบให้ความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นทุกย่างก้าวให้สัมผัสได้ว่าฝ่าเท้ากระทบพื้นเมื่อสงบนิ่งดีแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเดินเพราะเดินตั้งมั่น เฝ้ามองสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินสมาธิตั้งมัน่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามอง เดินเพราะเดินไม่มีเงื่อนไขไม่มีเป้าประสงค์ไม่มีเจตนาธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทาหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพลในขณะนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือเดินถ้าเดินด้วยคิดด้วยนึกด้วยพิจารณาด้วย อันนี้เรียกว่าละเลยหน้าที่คอร์รัปชันหน้าที่นะเพราะความอยากนะการทำหน้าที่ตามธรรมชาติเนี่ยต้องซื่อสัตย์ตั้งมั่นกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวนะสมาธิต้องเป็นหนึ่งเดียวนะชีวิตเราขับรถ ด, ด้วยฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยอันนั้นมันหลายอย่าง อันนั้นไม่ใช่ว่ามากักอันนั้นเรียกว่ามากักมากเป็นเรื่องของกิเลสโอกาสเกิดอุปัติเหตุมีมากนะทำงานอะไรก็ช่างถ้าไม่จดจอ่อไม่ตั้งมั่นนะมันก็เกิดช่องว่างอารมณ์ก็แทรกมาได้อ่านะมันจะครอบงาสติทำให้เราพลาดพังการปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็คือการกระทาตามธรรมชาติอยู่ปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันไม่ใช่ไปอีกนึกถึงอดีตคิดถึงอนาคตอันนั้ น, นอันนั้นเป็นความคิดนึกเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่ปฏิบัติธรรมส่วนปฏิบัติธรรมมันก็มีสองระดับระดับเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาถากรรมฐานเป็นช่วงฝึกฝน นะสัมมาถทากรรมฐานเนี่เราสะสมกำลังสูงสุดก็คือเอกคตาลมฌานสี่นะเพื่อเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสนาะพอวิปัสนาแล้วต้องหยุดการกระทาหยุดการฝึกหยุดการกำหนดนะถ้ายังมีการกระทาอยู่วิปัสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้ เราเดินเนี่ยพราะเดินไม่มีการกระทำเนื่องด้วยเจตนาใดๆทั้ทงนั้นมันเป็นกิริยาเป็นอริยบทนะเป็นอริยบทไม่เนื่องด้วยเจตนาชีวิตเราตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาก็เห็นแปลงสีฟันยาสีฟันเห็นเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้อง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 มาศึกษาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนไอ้ความสุขที่แท้จริงเป็นเช่นไรนะไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นแค่เราอยู่ปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งด้วยตัวจิตเขาเองวิปัสสนาต้องเกิดจากการรู้แจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกการคิด ความคิดก็มีประโยชน์นะทำให้เราเห็นมันอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองชีวิตเราถูกความคิดสั่งการตลอดมันคิดดีเราก็พูดดีมันคิดรายแเราก็พูดไล่มันคิดสร้างอารมณ์โกรธแล้วก็โกรธตามมันนะเพราะเราไม่เคยเห็นมันเลยอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็น เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเพราะครูพูดอะไรได้ยินปุ๊บมันเข้าใจตามธรรมชาติก็เข้าใจมันไม่เข้าใจก็ผ่านไปอย่าไปบันทึกสัญญามันกลายเป็นขยะความรู้แล้วก็ว่างๆก็เอามันมาคิดปรุงแต่งอีกนนั้นมันเรียกว่าปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกข์มันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เราปรุงขึ้นเองกิเลสก็ไม่ใช่ธรรมชาติกิเลสก็สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแต่ธรรมชาติของกิเลสเน่ยมันก็มีหน้าที่ลงโทษเราถ้าเราไปหลงมันมันเบื่อเราก็รู้ มันเซง็งเราก็รู้มันสงสัยเราก็รู้รู้เฉยเฉยอย่าไปเบื่ออย่าไปเซง็งอย่าไปสงสัยตามมันไม่ใช่หน้าที่เราเรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือเดินคาว่าเดินเฉยเฉยคือเดินอย่างเดียว ไม่ใช่เดินด้วยคิดด้วยนึกด้วยพิจารณาด้วยอันนั้นมันไม่เฉยอันนั้นแสดงว่าเราไม่มีความซื่อสัตย์เราไม่มีความตั้งมั่นกับหน้าที่ที่เราทำกิเลสมันจะแย้งว่าแล้วมาเดินเสียเวลาทำไมไม่เห็นได้อะไรเลยก็ได้เดินไงได้เดินแบบจิตว่างไงออได้ว่างจาก การสร้างกรรมทั้งปวงไงแล้วก็ได้ปัญญาอะไรไงมันบอกได้ปัญญาได้ยังไงไม่ให้คิดไปคิดนั้นเป็นแค่จินตนาการจินตไม่ใปัญญาไม่ใช่ปัญญาภาวนายาปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตเราเห็นความคิดเราเห็นอารมณ์ต่างๆนั่นแหละคือเราเห็นความจริงแล้วในตัวเรามันมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าเห็นปุ๊บ ไม่สักแต่ว่าเห็นไปคิดเพิ่มเติมเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ความจริงแล้วอันนี้กลายเป็นสิ่งปรุงแต่งใหม่ามาสร้างขยะความรู้เข้าไปอีกซึ่งเป็นความรู้ไม่บริสุทธิ์ไงนะคิดตามกิเลสตัวเอง ถ้าเกิดมันว้าวุ่นนะว้าวุ่นมากๆเลยมันคิดไม่เลิกไม่แล้วจริงๆแล้วถ้าเรารู้เท่าทันเราอย่าไปคิดตามมันก็ไม่มีเรื่องแต่ว่าเราไม่มีกําลังพอนะถ้ามีอาการแบบนี้ก็ต้องหาที่เกาะก่อนชั่วคราวนะเอาความรู้สึกเราเนี่ยไปเกาะที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นกระทบพื้นเราก็รู้ไม่ต้องตั้งคําบริกรรมนะไม่ใช่ช่วงฝึกสมมถากรรมฐานนะ ฝ่าเท้าก็ทบพื้นเราก็รู้นะมันเป็นอุบายวิธีเราเกาะไว้ชั่วคราวเหมือนปลาน้ำจืดอะ่ะปกติเนี่ยปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำนะสัญชาตญาณมันบอกว่าต้องทวนกระแสเออทาไมมันไม่ไม่มักง่ายตามกระแสออกไปออกทะเลตายหมดทำไมมันรู้เพราะมันมีสัญชาตญาณพอมันทวนกระแสสะสมพลังไปเรื่อยๆแต่วันใดวันหนึ่ง น้ำป่ามันไหลามาแรงมากกําลังที่มันมีมันทวนกระแสไม่ได้มันก็ทะหาที่เกาะก่อนไปอยู่ใต้โขดหินไปอยู่ใต้โคนไม้เมื่อน้ําป่ามันผ่านไปปุ๊บมันก็ทวนกระแสอีกเนี่ยป่ามันไม่มักง่ายมันไม่ประมาทมันฝึกทวนกระแสตลอดแต่มนุษย์เราบางทีมักง่ายเออเห็นเขามีก็อยากมีกับเขาแล้วก็วิ่งตามเขาไปทุกคนก็เป็นหนี้ทวนหน้า นะต้องไปทุกกับมันปลามันไม่ทำนะปลามันทวนสายกระแสตลอดจิตเราเหมือนกันเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดเราสู้กระแสความฟุ้งซ่านไม่ได้จริงๆแล้วไม่ต้องไปสู้กับมันนะแค่รู้เท่าทันมันแต่เราทำไม่ได้เพราะกิเลสเราก็ชอบคิดอยู่แล้วนั่นแหละถ้ามีอาการแบบนี้ก็มาเกาะที่ฝ่าเท้ากระโัพื้นกระทบก็รู้กระทบก็รู้ แม่อความฟุ้งซ่านมันผ่านไปอ่อนลงนะแล้วก็ไม่ต้องเกาะนะเมาอยู่ที่ตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินคําว่าสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งหมดไม่ใช่ไปรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะไม่ใช่ช่วงฝึกสัมมากรรมฐ า, านต้องใช้จุดใดจุดหนึ่งฐานใดฐานหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการกําหนดแต่การเจริญมรรคจิตเนี่ยนะ ต้องรู้ทั้งหมดเหมือนเราขี่จั ก, กรยานนะ่ะขาก็ถีบไปมือก็จับแฮนไปตาก็มองข้างหน้านะรถสวนไปสวนมาอะไรอยู่ข้างหน้าเราก็รู้นั่นแหละกําลังทําหน้าที่เดินทางอยู่นะเรามีสมาธิสัมโพชงมีสติสัมโพชงนะมีโพ ช, ชงอยู่แล้วอันนี้คือเป็น กำลังของจิตที่เราฝึกมายาวนานเราเอามาใชา้ใช้สติที่มีอยู่ใช้สมาธิที่มีอยู่ถ้านั่งสงบนิ่งตั้งมั่นเฝ้ามองถ้าความสงบไม่เกิดขึ้น ก็ให้เอาความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ลมหายใจก็ได้อยู่ที่อริยบทที่ท้องก็ได้พองยุบเมื่อสงบดีแล้วก็ปล่อยวางอริยบทนั้นเพียงแต่เฝ้ามองอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉย สมาธิตั้งมัน่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับการนั่งสติตื่นรู้ระวังเฝ้ามองอริยบทนั่งนั่นแหละคือกรรมฐานของเรานะความคิด และอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินรู้เฉยๆความคิดเกิดขึ้นเราก็รู้อย่าไปสนใจในเนื้อหาสาระที่มันคิดถ้าเราไม่ใส่ใจมันเดี๋ยวมันก็ดับ อารมณ์เบื่อเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันนะเรารู้เฉยๆไม่ต้องไปใส่ใจมันนะเหมือนเหมือนกำลังพูดถึงการฝึกนะฝึกสมถะเบื้องต้นก็คือเหมือนเรายิงเป้านิ่งเรายังมีเวลาทำสมาธิเลงอยู่ยิงเป้ายิงผิดก็ยิงใหม่ได้เป้ามันยังอยู่ แต่ชีวิตจริงๆเราเนี่ยมันไม่ใช่เป้านิ่งมันเป็นเป้าบินเห็นไหมเป้าบินมันมาทิศไหนก็ไม่รู้นะเห็นปุ๊บเรายิงเราพิจารณาไม่ทันว่ามันสีอะไรใครยิงมามันคืออะไรมันตกก่อนเพราะคำว่าเป้าเนี่ยคือรูปนามมันเกิดดับเร็วมากนะมันเกิดปุ๊บเรารู้คำว่าเรารู้นั่ยคือเรายิงแล้ว เราเห็นเราก็คือเรายิงแล้วไม่มีการกระทำโดยการยิงแต่ภาษามันพูดได้แค่นั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดเรารู้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเรายิงมันแล้วนั่นน่ะไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็ดับแต่เราเผลอปุ๊บเราไปคิดตามมันเนี่ย อ, อันนี้มันปรุงแต่งละมันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันไม่ใช่ความจริง สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าดมกลิ่นสักแต่ว่ากระทบผัสสะเห็นไหมพัดลมพัดมากระทบผิวผิวหนังเราเราก็รู้เฉยเฉยก็จบอยู่แค่นั้นไม่ยินดียินรายไม่ตัดสินว่าชอบไม่ชอบนะชีวิตเราที่มันทุกข์เพราะว่าเราเรามาคิดตลอดแล้วก็ตัดสินนะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็ตัดสินถูกผิดดีชั่ว นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอุปทานที่เราปรุงแต่งขึ้นมาตอนนี้เราถอยกลับมาทาหน้าที่ตามธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นในขณะนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือนั่งนั่งเฉยเฉย ถ้านั่งด้วยคิดด้วยนึกด้วยพิจารณาด้วยอันนั้นมันไม่เฉยอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ตามธรรมชาติอันนี้คือกิเลสมันคิดมันนึกมันพิจารณาก็จากความอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละนะมันเป็นกิเลสนะหิวก็กินง่วงก็นอนนะจริงๆแล้วไม่ต้องหิวถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนมันเป็นหน้าที่ แต่ใชไม่ใช่หน้าไม่ใช่เวลากินเราไปกินเพราะมันอร่อยอันนี้เป็นกิเลสไม่ใช่เวลานอนเราก็ไป น, นอนหลับเพราะความขี้เกียจอันนี้ก็เป็นกิเลสไม่ใช่หน้าที่ตามธรรมชาติถ้าทุกคนฝึกตัวเองได้24ชั่วโมงเหมือนเราหายใจทุกวัน นั่นแหละธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทำทุกอย่างเหมือนเราหายใจทุกวันไม่เนื่องด้วยความอยากไม่ใช่อยากถึงหายใจหายอยากก็หยุดหายใจไม่ใช่เห็นไหมมันหายใจมันเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติบางทีดีใจมากเกินไปดีใจนี่ก็กิเลสนะจนหายใจไม่ทันก็ช็อกตายได้หัวใจวายตาย บางทีตกใจเสียใจมากเกินไปนะจนหวาหใจไม่ทันหัวใจมันกล้ามเนื้อหัวใจมันเก่งนะก็หัวใจวายต้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกิเลสมันไม่ใช่หน้าที่ตามธรรมชาติเนี่ยเรานั่งพอนั่งเหมือนเราหายใจพ่อหายใจ ไม่มีเงื่อนไขไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีเจตนาเพื่อจะนั่งให้มันสงบนะถ้าเราตั้งใจนั่งให้มันไม่สงบให้มันสงบแล้วพอความไม่สงบเกิดขึ้นเราก็รู้สึกทุกข์เรานั่งพรานั่งความไม่สงบเกิดขึ้นก็มีประโยชน์ทำให้เราเห็นมันความสงบเกิดขึ้นก็มีประโยชน์ ทำให้เราเห็นมันไม่ไปติดมันไม่ไปหลงมันไม่ไปติดสุขในตรงนั้นกิเลสไม่ชอบนะมันกลัวมากเรามายืนเดินนั่งนอนเฉยเฉยนี่มันกลัวมากมันกลัวว่าเราจะเห็นมันแล้วเมื่อเราเห็นมันบ่อยๆแล้วก็บ่อยๆแล้วก็บ่อยๆต่อไปกิเลสมันสร้างอารมณ์อะไรมาหลอกเราก็ไม่ได้ เพราะเราดูเท่าทานมันไม่ใช่คิดที่จะหาทางกําจัดกิเลสนะคิดก็เป็นกิเลสอีกแล้วนะไม่ใช่คิดจะหาเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปยิงมันไปฆ่ามันนะมันก็หัวเลาะสิอาวุธนิวเคลียร์ก็เกิดจากกิเลสบรรทุกสร้างขึ้นมา กิเลสวิธีชนะกิเลสก็คือนอบน้อมถ่อมตนเรียนรู้กับมันแค่รู้เท่าทันมันอย่าเอาอาหารให้มันกิน เ, เดี๋ยวมันก็อ่อไม่มีแรงเองนั่นแหละถ้าไฟอินท ร, ะระีย์ะละอินทรีย์ภะละของเราคือ อินรียห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องทำให้มันแข็งแรงขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นเรียกว่าพละห mm hmm. เมื่ออินรี์พละเรามากกว่ากิเลส mm hmm. กิเลสมันก็อยู่กับเรานั่นแหละแต่มันไม่มีกำลังที่พัฒนาไปสู่ตัณหาได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิด mm hmm. เห็นไหมอารมณ์โกรธเรายังมีเหมือนเก่า แต่มันทำให้เราไปโกรธตามมันไม่ได้เพราะเรารู้เท่าทันมันแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันโกรธปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปเลยเหมือนเติมเชื้อเพลิงให้มันโกรธเลยเป็นเราเรากลายเป็นคนโกรธตามมันยิ่งมามันยิ่งแข็งแรงขึ้นที่ผ่านมาโกรธก็ด่าเขาเฉยเฉยพอมันแรงขึ้นโกรธปุ๊บก็ตบมันเฉยเฉยถ้าโกรธมันแรงขึ้นเลยฆ่ามันเลย เห็นไหมเพราะเราไม่รู้เท่าทันกิเลสไม่มีอาวุธสงครามใดๆที่จะฆ่ามันได้ไม่มียาวิเศษในรักษาต้องบริโภคพุทธโอสถธรรมโอสถของพระพุทธองค์ แล้วก็ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องซื้อดินสอปากกาสมุดแม้แต่เล่มหนึง่งนะแค่หยุดสร้างกรรมทั้งปวงแค่มายืนเดินนั่งนอนเฉยเฉยมาเต้นเฉยเฉยมาลัมเฉยเฉยนะคำว่าเฉยเฉยคือเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นแล้วมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งว่าในตัวเราเนี่ย มีกิเลสอะไรซ่อนอยู่วิปสัสนาต้องเกิดจากการรู้แจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือจินตนาการถ้าคิดเอาจินตนาการเอาเขาเรียกว่าวิปสัสนึกไม่ใช่วิปสัสนา การฝึกสัมมาทรกมฐานเป็นบาทฐานเบื้องต้นไม่ใช่ผิดนะก็เหมือนเราฝึกเด็กๆล่ะเขาเดินไม่เป็นก็ให้เขายืนตั้งไข่ก่อนนั่นแะคือสมาธิรู้จักควบคุมตัวเองคอนโทรลตัวเองไม่ให้มันลม้มเออใช้สติเดินมาทีละก้าวนั่นเป็นช่วงฝึกฝึกเด็กๆแต่ตอนนี้ชีวิตจริงเราวิ่งยังไม่ทันเลยกิเลสมันขี่จรวดนะ เราต้องใช้สติใช้สมาธทิที่มีอยู่เนี่ยรู้เท่าทันกิเลสการปฏิบัติธรรมปฏิบัตินะคือการกระทาตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสมันก็ต้องฝืนกิเลส กิเลสย่อมไม่ชอบมันก็ทําหน้าที่มารบกวนเรามาสร้างอารมณ์ต่างๆมาครอบงำสติอย่าไปโกรธเขาอย่าเป็นรังเกยียจกิเลสเรียนรู้กับเขาถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะชีวิตเราก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะเราทําหน้าที่ตามธรรมชาติ เราต้องทำงานเราต้องมีสัมมาชีวะเราต้องกินเราต้องนอนเราต้องอาบน้ำเราต้องหายใจนะถ้าไม่มีกิเลสเนี่ยก็ไม่ต้องมามาถอยมาทำอย่างนี้มานั่งเฉยเฉยถ้าเราไม่มีกิเลสชีวิตเราก็นั่งเฉยเฉอยู่แล้วยืนเฉยเฉยเดินเฉยเฉยเคลื่อนไหวเฉยเฉยทุกๆอริยบทก็เฉยไงแต่ตอนนี้เราเฉยไม่ได้ ทุกๆอริยบทเราเนี่ยมันคิดตลอดนั่งวาดภาพอยู่เรามีหน้าที่วาดภาพเราก็วาดแค่ 50% ซขโมยเวลาตัว น, นั้นเน่ไปคิดว่าวาดเสร็จแล้วจะไปทำอะไรเอ๊ไม่รู้ฉันจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่านะไปนึกถึงอดีตที่ผ่านมามันก็วาดถูกวาดผิดพรุ่งนี้สีมันแห้งพรุ่งนี้เป็นอนาคตของวันนี้สีแห้งมันก็ได้50ไง นี่พอเราคอร์รัปชันเราคอร์รัปชันเวลาเราเราไม่ทำหน้าที่ตามธรรมชาติถ้าเราทำหน้าที่ตามธรรมชาติแล้วก็โททอรีร่หนึ่งซตวาดเลยเมื่อสมาธิตั้งมั่นหนึ่งสติก็ตื่นรู้อ่ภูมิปัญญาที่มันเป็นสัญชาตญาณเดิมเป็นประสบการณ์เรามันก็ไหลมาเทมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วนี่กำลังสมาธิมันร้ออเนี่ยอารมณ์ต่างๆแทรกมาไม่ได้ อารมณ์ภายในทั้งอารมณ์ภายนอกนะมันกระทบหูไม่กระเทือนไม่กระเทือนกับสิ่งที่เราทำพรุ่งนี้สีมันแห้งเราได้ร0 0เแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ปัจจุบันเราไปอยู่นาน า, นาคตตลอดไปคิดโน่นคิดนี่เห็นไหมเพราะเรามีความอยากไงแต่ถ้าทาหน้าที่ไม่เนื่องด้วยความอยากที่บอกทำจากจิตว่างว่างจากความอยากนั้นผลงานมันจะได้ 100% เ แล้วเรากำไรความสุขทุกเมื่อที่เราได้กระทำใดๆทั้งนั้ น, นที่มันสุขเพราะมันไม่ทุกข์ไม่กังวลอะไรเลยเพราะอารมณ์มันแทรกเข้ามาไม่ได้แต่ชีวิตเราไม่อยู่ปัจจุบันไปอยู่ที่อนาคตบางทีก็เผลอไปนึกถึงอดีตอดีตเราไปคิดจนตายเราก็แก้ไม่ได้มันผ่านมาแล้วอดีตเป็นแค่บทเรียนทำให้เราเห็นอนาคตนะ อยู่ปัจจุบันก็เบื่อเบื่อไปคิดถึงอนาคตเดี๋ยวจะไปน่่นเดี๋ยวจะไปนี่เออน่ะชีวิตเราไม่เคยอยู่ปัจจุบันอลิยบทนอนผ่อนคลายสงบนิ่งตั้งมั่นระวังเฝ้ามอง ถ้าความสงบไม่เกิดขึ้นสู้ความฟุ้งซ่านไม่ได้ก็ให้เอาความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่อริยบทยุบพองที่หน้าท้องหายใจเข้าพองหายใจออกยุบไม่ต้องท่องบนสักแต่ว่าเห็นอาการพองยุบเมื่อสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยวาง อริยบทนั้นมาอยู่ที่ตั้งมั่นเฝ้ามองอลิยบทนอนหรือท่านอนเนี่ยเป็นท่าที่ง่ายที่สุดนอกจากไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่มีการกระทาซึ่งเนื่องด้วยเจตนาแล้วเนี่ยยังไม่ต้องประคองตัวน้ำหนักตัวทั้งหมดเทลงไปที่พื้นเป็นท่าที่อิสระที่สุด ง่ายที่สุดแต่ในขณะเดียวกันทำยากที่สุดเพราะความคุ้นเคยของกิเลสเราเขาจะคุ้นเคยว่าเป็นท่านอนหลับพักผ่อนถ้าเราไม่สำรวมระวังนะเราจะถูกดึงเข้าไปเข้าสู่พวังแล้วก็เผลอหลับไปการนอนหลับก็เป็นเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปตีหัวใครนะ แต่เราก็พลาดโอกาสในการเห็นตัวเองเห็นอะไรก็ไม่ยากเท่ากับเห็นตัวเองที่มันยากเพราะมันง่ายที่สุดเลยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีไม่ต้องกระเสือกกระสนขอวีซ่าเดินทางไปที่โน่นที่นี่นะแค่เรามานอนเฉยๆหลับตาเราก็เห็นตัวเองแล้วแต่กิเลสมันไม่ชอบ กิเลสคือความเคยชินเราเขาจะไม่ชอบนะเขากลัวว่าเราจะเห็นเขาแล้วต่อไปเขาจะหลอกเราไม่ได้แค่เรานอนอยู่เฉยๆได้เนี่ยนะนะศีลบรรมีก็เกิดขึ้นศีลคือความปกติของจิตถ้าเรานอนเฉยๆได้เนี่ยจิตไม่แสบสาย นั่นแหละเหมือนน้ำมันนิ่งนั่นแหละเห็นไหมศีลคือความปกติของจิตจิตเราไม่ปกติเพราะมันมีความอยากมันทําให้เราแส่ใส่นะเออเมื่อมันแส่ใส่มันไม่ปกติแล้วเนี่ยสมาธิก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดนะอย่าไปพูดถึงมันปัญญาเลยเนี่ยแค่เรานอนเฉยเฉยได้เนี่ยศีลบา ร, รมีก็แสดงตัวแล้วก็ทานบา ร, รมีก็แสดงตัว กิเลสบอกว่าโกหกนอนเฉยเฉยไม่ได้ไปทำความดีที่ไหนเไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนมันจะได้ทานบารมียังไงนะเราก็ให้โอกาสตัวเองนะ่ได้พักผ่อนพักลบพักสร้างกรรมเนี่ยถ้าคนหนึ่งให้ทานตัวเองไม่ได้เนี่ยไอการให้ทานคนอื่นเนี่ยเป็นการสร้างภาพอยากดังนะกิเลสมันรบกวนเรามากเลยมันไม่ไม่ต้องการทำให้เราสงบ นะถ้าเราเมตตากิเลสนะเราไม่ได้โกรธมันเราก็ถือว่ามันทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เราก็ให้อภัยกิเล็เนะี่ยให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยกิเลสดด้วยให้อภัยสรรพสัตว์ทั้งหลายคู่อริทั้งหลายนะเราก็ได้ทานบา ร, รมีเมื่อศีลบา ร, รมีมันมันแสดงตัวเนี่ยปัญญาบา ร, รมีก็ตามมา เราก็เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นชัดเจนมันคิดเราก็รู้เราก็เห็นมันงดหงียบเราก็รู้แม้กระทั่งมันบอกเมื่อยเมื่อยเราก็รู้เราเชื่อมันได้ไหมเรานอนอยู่เฉยๆไม่ต้องออกกำลังกายอะไรเลยไม่ต้องใช้พลังอะไรเลยมันบอกว่าเมื่อยมันจริงไหมความเมื่อยนี้มันเกิดขึ้นมันจริงไหมเห็นไหมเนี่ยปัญญาก็เห็นมันเมื่อยอย่าไปเมื่อยตามมันอันนี้เราเรียกว่าทำมลม ไม่ใช่มันเมื่อยเพราะเรานอนเฉยๆนะไอความเมื่อยนี่เราสะสมมาตลอดชีวิตเราเพราะเรามีความอยากเมื่อยแค่ไหนฉันก็ไม่เมื่อยเพราะฉันอยากมันก็บันทึกเป็นสัญญากลายเป็นธรรมลมเรียกว่าธรรมในธรรมนะมันจริงหรอือเรานอนเฉยๆมันเมื่อยได้ยังไงเห็นไหมอ้าวเดี๋ยวกี่เดียมบอกเบือ่อเบื่อไงนอนเฉยๆไม่ได้อะไรสนุกก็ไม่สนุกอร่อยก็ไม่อร่อย ไปหาอะไรกินดีกว่าเห็นไหมกิเลสก็ทาหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เราก็เห็นความเบื่อเราอย่าไปเบื่อตามมันเท่านั้นเองนี่ปัญญาบา ร, รมีเกิดขึ้นทีนี้เรานอนอยู่เฉยๆนี่เราไม่ได้ไปตีหัวใครไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่อโครจรลเนคขมมะบา ร, รมีก็เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไปบวชเนคขมมะนะ ไปห่มขาวถือศีลแปดนะแล้วก็ไปนั่งนินทาคนนั้นคนนี้นะ่ะอันนั้นไม่ได้อะไรเลยถ้าเรานอนอยู่เฉยๆได้เนี่ยคำว่าเฉยๆได้คือไม่ต้องคิดนะมันคิดอยู่แต่เราอย่าไปคิดตามมันนะี่ขมมะบา ร, รมีก็แสดงตัวกิเลสมันรบกวนเรามากนะ แต่เรานิ่งเฉยได้นะอุเบกขาบารมีก็แสดงตัวเห็นหถ้าเราเบื่อเบื่อเบื่อแต่เรารู้เท่าทันความเบื่อเราวจไปเบื่อตามมันขันติบารมีก็แสดงตัวสัจจะบารมีก็ตามมาเราตั้งมั่นสัจจะว่าเออเราจะนอนให้มันครบเวลาถึงมันจะเบื่อมันจะเซ็งแค่ไหนเนี่ย เห็นั hmm? we like, we ้ยเราตั้งศัจจาว้แล้วไงเราเราผิดศัจจ์ไม่ได้แล้วสุดท้ายเราก็ข้ามพลมันก็เกิดอินทรีย์พละกำลังอินทรีย์พละของจิตเราก็มากขึ้นนอกจากอริยบทเรานอนเห็นภาพลักข้างนอกนอนแต่ข้างในคิดโน่นคิดนี่เกียดชังคนนั้นนินทาคนนี้ อิจฉ้าคนนั้นอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่านอนอยู่เฉยๆมันไม่เฉยมันนอนด้วยมันคิดด้วยอันนี้คือค อ, อร์รัปชันถ้านอนถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านนะเออจริงๆแล้วไม่ต้องไปสู้กับมันเรารู้เท่าทันเฉยๆแต่เราทำไม่ได้เพราะ ความเคยชินเราก็ชอบคิดอยู่แล้วก็ถูกมันดึงไปคิดถ้ามีอาการแบบนี้ก็ต้องหาที่เกาะก่อนเอาความรู้สึกทั้งหมดเนี่ย อ, อยู่กับลมหายใจเขา้าลึกๆไปถึงหน้าท้องแล้วก็สัมผัสว่ามันพองมันเป็นอริยบทกิริยาของหน้าท้องเรามันพองแล้วก็สัมผัสมันได้กั้นลมหายใจไว้หน่อยหนึ่งมีการกระทําโดยกั้นมันไว้นะ แล้วก็มันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจออกมาทาไปสักสามสี่ครั้งเมื่อมันสงบดีแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปเกาะลมหายใจไม่ใช่ช่วงฝึกส ม, มถากมฐานมาอยู่ที่ตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอนท่านอนนะไม่ใช่ท่านอนหลับ ถึงจะนอนแล้วก็หลับตายัางเห็นตัวเองนะเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นความคิดตัวเองเห็นกิเลสตัวเองนะสุดท้ายรวมแล้วก็เห็นรูปนามมันเกิดดับมันเกิดมันก็ดับมันเป็นไปตามธรรมชาติมันคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันดำรงอยู่ได้ยาก เพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราสัมผัสอารมณ์นี้บ่อยๆแล้วก็บ่อยๆนั่นแหละเราเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์คือลักษณะกะสามประการของธรรมชาติซึ่งเรียกว่าอณิจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตเข้าถึงแล้วมันก็จางคายความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตน นะในอัตลักษณ์ของตัวเองนะเราเป็นผู้บำเพ็ญเพียรนะช่วงเข้าไปในจิตเนี่ยเราต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติทั้งปวงนะแต่พอออกมาข้างนอกเนี่ยเราจะทําลายสมมุติไม่ได้การเป็นพันลายสมมติและบัญญัติของผู้อื่นเนี่ยเป็นการสร้างกรรมใหมนะ่แต่ไม่ใช่ไปหลงติดมันจนไปเข่งไปเครียดกับมันนะ มันก็เป็นแค่สมมุติเป็นแค่มนุษย์บัญญัติขึ้นเป็นกติการ่วมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระทั่งกันแต่จะไปหลงมันเนี่ยใช้ศีลวินัยบัญญัติตรนนั้นไปเล่นงานคนอื่นอันนั้นเป็นสร้างกรรมนะศีลวินัยต่างๆมีหน้าที่กํากับตัวเองนะไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการไปห้ามหันไปทาร้ายคนอื่นเราไม่ทาลายสมมติ แต่จิตเราต้องอยู่เหนือสมมุติจิตถ้ายัางติดอะไรอยู่เนี่ยมันหลุดพ้นไม่ได้มันหายใจเข้าเราก็รู้มันหายใจออกเราก็รู้ก็รู้เฉย ไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปสั่งการมันลมหายใจมันหายใจมันซื่อสัตย์กว่าเราด้วยนะมันไม่มากเรื่องมันไม่มีวันหยุดเลยนะเออก็รู้ว่ามันหายใจเราเรียนรู้กับลมหายใจเราถ้าเราซื่อสัตย์กับชีวิตตัวเองเท่ากับลมหายใจมันซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มันนั่นแหละชีวิตเราอะไรก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ ใจเข้าลึกๆเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจเข้าไปกดลมหายใจไว้ก่อนเมื่อจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจออกมาทําไปเรื่อยๆสามสี่ครั้งเมื่อเป็นปกติดีแล้วค่อยลืมตานะได้เวลา